หัวข้อคำถามสืบเนื่องมาจากการที่ไปอ่านบทความของคุณเยวทละลมจากหนังสือพิมพ์ ม, มติชนเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านก็ได้พูดถึงเรื่องปัญหาบ้านเมืองด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ตบท้ายว่าผมไม่เคยเชื่อในความเป็นเมืองพุทธของไทยว่าคนไทยจะไม่ฆ่ากันในทุกช่วงประวัติศาสตร์ไทยฆ่าไทยมาตลอดทั้งด้วยเหตุแย่งชิงอานาจผลประโยชน์ และด้วยความคิดและอุดมการ์ที่แตกต่างกันซึ่งดิฉันเองก็เคยตั้งคําถามกับพระคุณเจ้าหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะว่าก็สงสัยว่าเมืองไทยเนี่ยก็บอกตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธแถมยังเป็นเมืองพุทธที่ใหญ่ของโลกซะด้วยเป็นเป็นเมืองศูนย์กลางของพุทธศาสนาหลักศาสนาพุทธก็ได้รับการยอมรับทั่วไปหมดนะคะว่าเป็นศาสนาที่ดีมีคุณค่าแต่ทําไมเราถึง มีความรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนกับเอ๊ะ ท, ทำไมมันถึงยังเกิดเหตุการณ์ที่ <c oughs> เหมือนกับศาสนาช่วยอะไรไม่ได้ค่ ะ, ะ, ะที่เขาพูด ก, ก็ก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งว่าเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่เมืองพุทธแต่มองดูภายนอกก็เหมือนกับเป็นเมืองพุทธค่ะปัญหาตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าถึงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงนะขาดการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนอย่างแท้จริง นะท่านพุทธทาสก็เคยเขียนหนังสือในลักษณะนี้ว่าเรียกว่าภูเขาแห่งพิธีพุทธธรรมสิ่งที่ขวางกาั้นการเข้าถึงความเป็นพุทธที่แท้จริงอย่างเี้ยเราไปติดในเรื่องของพิธีกรรมนะเราไปติดในเรื่องของอวัตถุเข้าของต่างๆนะเรามองอความเจริญของศาสนาเนี่ยผิดมุมนะเราไปมองในมุมของเรื่องของวัตถุ จะเป็นส่วนมากทั้งๆที่พระเจ้าไม่ได้เคยบอกเรื่องความเจริญของศาสนาเนี่ยขึ้นอยู่กับความเจริญของวัตถุการเจริญของศาสนาเนี่ยมีสีประการนะในยัาหนึ่งเนี่ยก็คือจดจำบทปัญญณนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะอย่างที่2อภิกษุต้องเป็นผู้ว่างง่ายอดทนยอมรับฟังครรมสั่งสอนด้วยความเคารพนักแน่นอย่างที่3เนี่ย ผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธ ว, วจะนะทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยจะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนในความนั้ น, น, นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้การผู้เป็นมูนลรากคือเป็นอาจารย์เนี่ยสืบทอดกันต่อๆไปอย่างที่สี่เนี่ยภิกษุที่เป็นเทระแล้วเนี่ยบวชนานสิปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องหน้าไปในกิจแห่งวิเวทธรรมปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพืบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุสี่อย่างเหล่าเนี้ไม่ไม่มีเรื่องวัตถุเลยนะแต่เน้นไปในเรื่องของคําสอนนะ เน้นไปในเรื่องของคําสอนที่ถูกต้องเน้นไปในเรื่องของตัวบุคคลนะตัวผู้นำ<ม>น ะ, ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าเน้นพระเจ้าบอกเนี่ยเรายังไม่เคยได้ทํากันเลยน ะ, <ฮ>ะบทเป็นชนะต่างๆเนี่ยถามว่าเราใช้พุทธวจนะมาเป็นหลักในการถ่ายทอดบอกสอนกันหรือเปล่าในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ใช้เลยนะ<ฮ>เราใช้คํากล่าวของของคนอื่นนะ คำที่แต่งขึ้นใหม่คำที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่เราไม่ได้ใช้พุทธวจนะมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัตินะเรามีความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมามากมายพิธีกรรมต่างๆท่านท่านหมายความว่าย uh huh. อย่างไรคะที่บอกว่า uh huh. เราไม่ได้ใช้พระพุทธวัจนะมาถ่ายทอดบอกสอน uh huh. เพราะว่าพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยพระคุณเจ้าทั้งหลาย uh huh. ก็มีที่แสดง <c oughs> ธรรมเทศนา uh huh. สั่งสอนลูกศิษย์อยู่เป็นประจำ uh huh. แต่แต่ไม่ได้เป็นคําที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรงบางทีเร า, าศึกษาพุทธวจนะแล้วเรามาสรุปความของเราเอง<ะ>อย่างเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยคาพูดของเราเนี้ยจะไม่ไม่สมบูรณ์นะจะมีข้อบอกพร่องแฝงอยู่โดยหลักแล้วพระุทธเจ้าบอกว่าเรากับสาบกเน่กล่าวตรงกันนะและคนที่กล่าวธรรมะได้ถูกต้องเป็นสัจธรรมไม่ผิดทุกถ้อยคำทุกพยานทุกประโยคเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้า นะเพราะว่าท่านกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ผิดพลาดแต่เราเนี่ยเมื่อมีการมาสรุปหรือว่ า, เ, าเรียงร้อยคำพุทธเจ้าใหม่ด้วยความเห็นของเราเนี่ยมันจะมีข้อบกกร้องในคำพูดของเราขึ้นมาทันทีน ะ, ะเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดบอกสอนเนี่ยจะต้องถ่ายทอดให้ตรงอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อันนี้คือจะดีที่สุดค่ะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยอีกแล้วที่ไหนล่ะคื อ, อาาคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่แท้จริงเพราะว่าก็ผ่านมาเป็นเวลานานมากาค่ะคำสอนของผู้เจ้าที่แท้จริงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังยังถือตรงกันอยู่จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีทั้งในส่วนที่เป็นความเห็นอของคนรุ่นหลังที่เพิ่มเติมเข้าไปที่เรียกว่าอัตตะตาแล้วก็ในส่วนที่เป็นพุทธวจนะคําพูดที่ออกจากปากผู้เจ้าโดยตรงโดยหลักคําพูดที่ออกจากปากผู้เจ้าเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้คือ พระเจ้าเนี่ยจะรู้เรื่องของความเสื่อมดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านป้องกันเรื่องนี้ไว้โดยที่ว่าท่านบอกว่าคําของท่านเนี่ยจะไม่มีการขัดแย้งกัน <c oughs> คําของท่านเนี่ยจะเข้ากันได้ตลอดตั้งแต่การที่ท่านพูดมาตั้งแต่ตัสรู้จนกระทั่งถึงวัน ป, รรปาลิมิบาลธรรมะจะไม่มีขัดกันเลยนะจะเข้ากันได้เป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคําใดเนี่ยมีการขัดแย้งกันธรรมะมีการขัดแย้งกันแสดงว่ามีคนใดคนหนึ่งทรงจํามาผิดนะหรือคาดเคลื่อนนะนี่เป็นวิธีตรวจสอบ ค่อยคำของท่านนะแล้ถ้าเราถ้าเราสามารถนำธรรมะที่ออกจากปากพระเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักจริงๆในสังคมเนี่ยนะอาตมาเชื่อว่าสังคมเนี่ยจเจริญแน่นอนนะแล้วนั่นคือเรามีสิ่งยึดเหนียวอย่างเดียวกันมั่นคงอย่างเดียวกันแล้วก็ถือในสิ่งที่สมควรถืออะไรที่ถือมาผิดทำตามตามกันมานะ ปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยที่พระเจ้าท่านไม่ได้ตัดเอาไว้เราก็วางสิ่งเหล่านั้นลงไปความเห็นที่เพิ่มเติมเข้าไปในศาสนาน ะ, ะถ้าเราเพิ่มเติมเข้าไปแค่ปีละหนึ่งความเห็นแค่นั้นแหละร้อปีก็100ความเห็นพันปีพันความเห็นแล้วศาสนาพุทธจะเหลืออะไรนะมันจะไม่ไม่ต่างกับที่พระเจ้าท่านอุปมาไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีคนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปสนใจ คำที่คนแต่งขึ้นใหม่โดยไม่สนใจคำพูดของท่านทุกคนจะลืมคำพูดของท่านมองว่าคำพูดรู้เจ้าเนี่ยยากเกินไปไกลเกินไปไม่น่าจะศึกษาเราควรจะมาศึกษาคำครูบาอาจารย์หรือคำของคนรุ่นหลังมากกว่าพูดกันเข้าใจง่าย<ะ>ถ่ายทอดกันง่ายเนี่ยจะมีความเห็นคล้อยไปอย่างนี้ทําให้คำรู้เจ้าเนี่ยอันตรธานเสื่อมสูญไปเราสามารถ<ะ>ที่จะหาคำของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้กล่าวมาแล้วเนี่ย ในที่ใดบ้างล่ะคะเพราะว่าบางคนก็สนใจแต่อาจจะบอกว่าเอา้าเราจะไปหาที่ไหนค่ะแต่คำพูดเจ้านี่ก็หาได้ในในส่วนของพระไตรปิฎกแต่ทีนี้ว่าในพระไตรปิฎกเนื่องจากมีอัตถกถาคําหรือความเห็นของคนรุ่นหลังเข้าไปด้วยก็จะาหายากนิดหนึ่งทําให้กว่าจะเจอคำพูดเจ้าเนี่ยเปิดหากันนานนะทําให้อ่อนล้าซะก่อนน ะ, ะเพราะฉนั้นท่านผู้ท่าเห็นปัญหาตรงนี้ก็จึงอ ดึงเฉพาะคำพูดเจ้าเนี่ยออกมานะรวบรวมเอามาไว้ใช้เวลานานถึง22ปีในการที่จะรวบรว ม, ม, มเพราะฉนั้นผลงานของท่านที่เป็นผลงานแปลพระเถรพิฎกเนี่ยเป็นหนังสือ5เล่มเนี่ยจากพระโอษฐ์มีอริยสัจจากพระโอษฐ์ปฏิจจสุวะจากพระโอษฐ์คุมทรัพย์จากพระโอรรษฐ์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยอันเนี้ยอตาตมามองว่ามันเพียงพอเพราะเป็นการรวบรวมคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ พูดไว้ทั้งชีวิตในเรื่องของอริยสัจสี่ในเรื่องของปฏิจจสมบัติคืออริยสัจสีอย่างละเอียด <Okay. S 2> ในเรื่องประวัติของพระองค์ที่ส่งเล่าออกจากปากของพระองค์เองนะในเรื่องที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุนะโดยตรงการปภาวนาเป็นอย่างไรนะภิกษุดีไม่ดีเป็นอย่างไรพนะระเจ้าก็จะบอกไปหมด <Okay. S 2> เนื้อหาเหล่านี้เพียงพอต่อการที่เราจะนํานไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความปนทุกข์อย่างแน่นอนนะค่ะ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่จะศึกษาพระพุทธวจะนะอย่างแท้ จ, จริงนะคะจะศึกษาจากที่ท่านพุทธทาสและคณะนะคะได้พยายามทำงานนี้มา22ปีนะคมีหนังสือตั้งเป็นฟุดกว่าคะ่ะแต่ว่าดิฉันเองก็ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้อ่านมาในบางส่วนแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะว่าแรกๆเนี่ยจะอ่านยากแต่พออ่านไปนานๆก็ เข้าใจได้นะคะแล้วเราก็สามารถจะสอบถามครูบาอาจารย์ได้ที่วัฒนาบับพงนี้ก็มีให้ใช่ไหมคะก็ถ้าสนใจลองไปที่นั่นก็แล้วกันนะคะคลองสิทธิลำลูกกาแล้วก็ในส่วนอื่นๆเมื่อเมื่อสักครู่สองสมข้อที่ท่านบอกว่าภิกษุอะไรนะคะข้อถัดมาจากต้องเป็นผู้ว่าง่ายต้องเป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็อย่างที่สาก็คือต้องผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอน ภิกษุว่าง่า ย, ใ, าาายในความเมื่อไงคะท่านในความหมายนี้ต้อ ง, ม, องอมีความเห็นที่อ่อนนะไม่ไม่ดื้อรั้นน ะ, นน ะ, ะการที่เรารับภิกษุใหม่เนี่ยเราเรารู้เลยเราเข้าใจเลยว่าทําไมผู้ชอบพูดอย่างนี้นะเพราะว่าก็จะมีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ว่ายากสอนยากบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายอะไร อ, อย่างเงี้ยะนะมีความเห็นตัวเองเยอะนะมีเหตุผลเยอ ะ, ะน ะ, ะก็คิดว่าความเห็นตัวเองนะถูกแล้ว คือมาแบบนั้นเต็มแก้วมาแบบน้ำเต็มแก้วนะก็มองว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยมันเก่าก่ําคลื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมองว่าเราเป็นคนทันสมัยมีเหตุมีผลแต่จริงๆเนี่ยยังไม่ได้เคยฟังความเห็นพระพุทธเจ้าเลยยังไม่ได้ลองฟังความคิดความเห็นของผู้อยู่เดิมเลยว่าเขามีประสบการณ์มาอย่างไรมีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติมาอย่างไร ความเห็นของผู้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยต้องศูนย์เลยนะต้องวางความเห็นอย่างลาสสนิะคือเหมือนกับว่าต้องมาศึกษาแล้วก็พิจารณาจากสิ่งที่ศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเชื่อหรือไม่แต่อย่ามาด้วยการที่ต่อต้านมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอันนี้หมายความหมายถึงภิกษุว่าง่ายค่ะขยันถ่ายทอดนี่คงไม่ต้องสงสัย สุดท้ายคะ่ะอีกข้อหนอึ่งพิสุที่บวชนานแล้วเนี่ยต้องอไม่เป็นผู้นําในสางสารก็คืออย่านําไปในทางที่ผิดต้องหุ้นหน้าไปในกิจแห่งวิเวกทําปารลความเพียรนะเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุคือต้องขยันทําความเพียรปารลบความเพียรแล้วก็นําพาขยันปฏิบัติขยันปฏิบัติและนําพาหมู่คณะหรือมหาชนเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาพุทธช่วยไม่ได้สําหรับคํากล่าวที่ว่ า, าแต่อยู่ที่ว่าไม่มีการนําเอาศาสนาพุทธมาใช้อย่างแท้จริงใช่เหมือนมียาแต่โมแต่อ่านสลากยาอยู่ไม่กินยายาเนี่ดีแล้วเกินอ่านสลากยาไปยานี้ช่างดีอย่างแต่ไม่กินเพราะฉะนั้นยาก็ช่วยรักษาโรคไม่ได้นะ จ, จริงๆ จ, จะว่าไปถ้าอย่างนี้เนี่ยในส่วนที่ในเมื่อมีหนังสือหนังสืเองเนี่ย คราวาศึกษาเองเลยได้ไหมคะได้ครลวาศึกษาเองได้เพราะหลักของพระเจ้าเนี่ยให้พึ่งตนพึ่งธรรมอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งใครเลยนะพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่ถูกต้องคือธรรมะที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เองอยู่แล้วว่าให้เข้ามาสนใจคําของท่านเพราะท่านเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดแต่ถามว่าคนไทยเนี่ยมีศีลห้ากันกี่คนในประเทศ60ล้านมีกี่คนกันใช่ไหมอ่าค่ะ พระที่<บ>แล้วก็เค<บ><บ>ดมาก็ถามตัวเองคพระที่บวดต้องมาเนี่ยถามว่าปฏิบัติตรงอย่างที่พระเจ้าเนี่ยตัดไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์มากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมนี่แหละนี่ก็เป็นปนัญหาเราเนี่ยควรจะสังฆทานากันในกลุ่มของชาวพุทธกันซะก่อนนะถ้าเราได้ม า, าตรวจทานตรวจสอบในความเป็นพุทธของเราเองเนี่ย อย่างถูกต้องตรงทางตรงทําตรงวินัยแล้วเนี่ยอธิบาเชื่อว่าวสังคมและก็ประเทศชาติเนี่ยจลเจริญนะแล้วก็ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นก็ไม่ทราบนะคะเพียงแต่ว่าที่รายการของเราสันสานีสนทนาช่วงเวลาถามโลกตอบธรรมนะคะจะเป็นอีกแรงหนึ่งกัแล้วกัน<อ><ๆ>ในการที่จะช่วยทำให้สังคมไทยเนี่ยมีความสงบเย็นมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนดีที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยมันลาบากก็เท่ากับว่าในธรรมะข้อนี้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะตระหนักนะคะแล้วก็ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้านำเอาไปใช้นะคะเราจะเราจะเกิดความรู้สึกกับว่า เป็นธรรมะที่ใช้ได้ไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าเป็นคําศักดิ์สิทธิ์ที่แตะต้องไม่ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะว่าเรนเคได้ยนิยนว่าแม้แต่กระทั่ง ท, ท่านทรงละเอียดใจผมเนี่ย น, นะคะแม้แต่กระทั่งมีคนบอกว่าเรื่องสุข อ, อนามัยง่ายๆท่านยังบัญญัติไว้เป็นวินัยของออสองฆ์จริงหรือไม่คะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้ไม่ให้ใช้ภาชนะร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็พระเจ้าก็จะจะบัญญัติเอาไว้ เรียนะกว่าถ้าถ้าปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พรเจ้าบัญญัติเนี่ยเท่ากับเป็นการรักษาสุขอนามัยของตัวเองอนะไม่ไม่ติดโรค ก, กันนะท่านไม่ให้ใช้ภาชนะร่วมกันในระหว่างต่างคนกันเนี่ยอย่างนี้ในกระทรวงสาธารณสุขส่วนที่เกี่ยวกับการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนชาวพุทธ ก็น่าจะใส่หลักธรรมไปซะเลยนะคะว่าขนาดในยุคพระพุทธเจ้ายังได้ทรงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บด้วยการทรงวางวินัยอย่างนี้ไว้เห็นไหมคะว่าทันสมัยนี้เป็นการยกตัวอย่างเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะถามโลกตอบธรรมค่ะถ้าท่านสงสัยอะไรนะคะถ้าอาจารย์ครึกฤทิ์โสธิพโลแห่งวัดนาป่าพงคลองศิริลำลูกกาใกล้กรุงเทพมากนะคะท่านก็สามารถที่จะส่งคําถามมาที่นี่ก่อน หรือว่าจะไปที่วัดเลยก็ได้แต่อย่างส่งคำถามมาที่นี่นะคะ02 269 00 60 02 269 00 06แล้วก็ถ้าเป็นเบอร์ SMS นะคะ483 8106เพราะว่าเป็นสถานีวิทยุสทรอฟ106นะคะ<ๆ>เลยมีเลขหนึ่งเลข0ูนเลขหกเยอะหน่อยวิทยุครอบครัวข่าวค่ะ